ขึ้นพากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นการส่งใจไปภายนอกนั้นมันไม่ใช่เป็นหนทางแห่งความสงบระงับ มันเป็นหนทางแห่งความฟุ้งซ่านสังขารคือสภาพที่ปรุงแต่ง จ, จิตใจให้คิดดีบ้างคิดชั่วบ้างคิดไม่ดีไม่ชั่วบ้างมันมีอยู่อย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่มีชีวิตมาเละ มติพระศาตราทรงสอนให้เข้าไประงับสังขารทั้งหลายเหล่านั้นให้ได้ถึงจะมีความสุขดังในคำชักบางสกุลนะ้นเตสร้างูปาโมสุโคความเข้าไประงับเสียได้ ซึ่งสังขารทางพวงเหล่านั้นเป็นสุขอันนี้มันนับว่าเป็นสิ่งที่ควรเอามาวิจารกันเพื่อให้เข้าใจความหมายคำว่าเข้าไประ ง, งับซึ่งสังขารทางหลายนั้นหมายถึงเข้าไประ ง, งับความคิดความจำความหมาย ภายในจิตใจนั้นเองการที่ใจมันคิดมันมุ่งหมายอะไรต่ออะไรไปภายนอกนั้นนั่นแหละมันแสดงบอกถึงอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นมันยึดอันใดอันหนึ่งไว้แล้วมันถึงคิดไปถ้ามันไม่ยึดไปแล้วมันไม่คิดไป ให้สังเกตดูถ้าผู้ใดไม่ทวนกระแสจิตเข้ามาภายในไม่มายับยั้งความคิดอันเกิดขึ้นจากปัจจุบันนี้แล้วมันจะละอุปทานไม่ได้เลยใจนี่มันก็จะไปเที่ยวยึดอะไรต่ออะไรไว้ยึดไว้เฉยๆมันก็ยังชั่ว แต่มันไม่ใช่ยึดไว้เฉยๆนะมันยึดไว้ด้วยความยินดีบ้างด้วยความยินร้ายบ้างอด้วยความเสียใจเศร้าโศกต่างๆหรือ ว, ว่าด้วยความโกรธความพยาบาทมันเป็นไปทั่วแหละสุดแล้วแต่ใจมันไปผูกพันอยู่กับเรื่องใด มันก็มีความรู้สึกหรือคิดไปตามลักษณะอาการของเรื่องนั้นๆหละเช่นเรื่องที่จะให้โกรธอย่างนี้มันก็คิดโกรธไปเรื่องที่จะให้เกิดความรักความใคร่มันก็ให้เกิดความรักความใคร่ขึ้นมาอย่างรุนแรงเมื่อมันคิดหนักเข้าหนักเข้า แต่จนทําให้คนเรานั้นเดือดร้อนก็ไปแสวงหาความรักความใคร่อันนั้นให้ได้ตามประสงค์ของจิตใจการไปแสวงหาความรักความใคร่นี่มันเป็นทุกข์เดือดร้อนมากแต่คนเราตกเป็นท่าแห่งความรักเหตุนั้นมันถึงได้ จำยอมทุกไปท่านผู้ใดเป็นผู้ไม่ยอมตกเป็นท่านในความรักท่านก็ไม่ยอมทนทุกข์ทรมานเพราะการเสวงหาความรักนั้นก็ทวนกระแส จ, จิตเข้ามาอยู่ภายในแม่จิตมันดิ้นออกไปสรงสายไป นั่นแหละมันถึงจะไม่ตกเป็นท่าแห่งความรักความชังความหลงความเมาต่างๆ mm hmm. ความจริงนะข้อปฏิบัตินี่มันชี้บอกตรงๆอยู่แล้วแต่คนเหล่านั้นยังทำไม่เต็มที่เท่านั้นแหละทุกคนก็ทำกันมาอยู่ไอความเพียรนนะสำหรับผู้ที่ มีความเรื่องใสในข้อวัดปฏิบัติในการเจริญสมถะวิปัสสนานี่นะมันทำกันมาอยู่ทางนั้นแหละแต่ถ้าว่ามันจะทำไม่ไม่มากพอนี่แหละข้อสำคัญนะมันทำให้ติดต่อกันไปไม่ได้มันเป็นวักเป็นตอนไป มันงานความรู้อันนี้มันถึงแก่ไม่ได้ไปเพ่งไปพิจารณาไปเวลาได้ทวนกระแส จ, จิตเข้ามาภายในอา้าวจิตก็สงบระ ง, งับไปจากอารมณ์ต่างๆดังกล่าวมานั้นขั้นไปไปเผอสติอา้าวจิตมัน ยัดยังอยู่ภายในไม่ได้แล้วมันส่งสายออกไปแสวงหาอารมณ์ตามชอบใจ mm hmm. ก็มันเป็นอยู่อย่างนั้นเหตุฉะนั้นแหละญาณความรู้จริงเนี่ยมันยังเกิดขึ้นไม่ได้จะเริญขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นได้แล้วลดับไปมันไม่มัน มันไม่ติดต่อกันไปพอที่จะมีกำลังประหารเสียซึ่งกิเลสต่างๆเหล่านี้ได้เพราะว่ากำลังมันยังอ่อนมันไม่แก่กล้าได้เพราะเหตุที่ว่าจะว่าความประมาทก็ใช่คือเป็นผู้อยู่ปราศจากสติสัมปชัญญะการควบคุมจิตใจตัวเอง นั่นแหละมันเป็นเหตุให้ความยานความรู้อันนี้นะมันอ่อนแอลงเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ใดรู้จุดบกพร่องดังกล่าวมานี่แล้วก็วพึงกระชับสติสัมปชัญญะให้แนบแน่นเข้าไปหมั่นทวนกระแสจิตเข้ามาภายในเสมอไป ระลึกเข้ามาเพ่งดูที่กายเพ่งดูที่จิตนี้แล้วสัมปชัชญะก็วิจารณดูอัตภาพร่างกายนี้เมือม่อเมือม่อเมื่อทวนกระแสจิตเข้ามาตั้งอยู่ภายในแล้วน ะ, ะแล้วก็สัมปชัชญะก็วิจารณดูดวงจิต น, นี้ดวงจิตนี้มันอยู่อย่างไร อยู่ด้วยความยึดมั่นถือมั่นเหลอหรือว่าอยู่ด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่ด้วยความรู้เท่าสังขารตามเป็นจริงมันยึดถืออะไรไว้ในขณะนี้นะ่ะนี่สัมปชัญญะมันจะต้องวิจารณ์ใคร้ครวนดูอย่างนี้มันก็รู้ได้เลยเมื่อ สามารถวิจารตัวเองได้แล้วก็รู้เรื่องของตัวเองได้คือรู้เรื่องของดวงกิจนี้แหละดัง น, นั้นเรามาวิจารตัวเองนี่ดีกว่าที่เราจะไปวิจารผู้อื่นเรื่องของผู้อื่นก็ให้เป็นเรื่องของผู้อื่นไปใครจะช่วยใครไม่ได้ในโลกอันนี้นะ นอกจากตนของตนเท่านั้นแหละช่วยตนเองพอได้ถ้าตนเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วก็สามารถช่วยตัวเองได้คนเรานี่นะการที่เราจะช่วยตัวเองได้นั้นมันก็ต้องยึดเอาคําสอนของพธของพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นแนวทางถ้าไม่อิงอาศัยคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองให้หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสตัณหาสารพัดสิ่งชั่วร้ายต่างๆอันหมักห ม, มมอยู่ในจิตใจนี่มานมนานได้อุพ ม, มาเหมือนยคนที่มีโรคภัยเบียดเบียนร่รางกายอยู่รำพังตนเองไม่สามารถที่จะ รู้จักยามาบำบัดโรคในกายนี้ได้ด้วยตนเองก็ต้องได้อาศัยหมอผู้ที่เขาศึกษาวิชาความรู้ในการแพทย์นี้มาโดยเฉพาะเขายอมรู้เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บในร่างกายของคนเรานี่ได้เป็นอย่างดีอันนี้ทันใดก็อย่างนั้นแหละ องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะองค์เป็นหมอแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ยอดเยี่ยมสามารถรู้จักยาคือธรรมะสำหรับบำบัดโรคทางจิตใจของคนเราเนี่ยได้เป็นอย่างดีดังนั้นเลย พวกเราเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายจะได้ประสบความสุขความเย็นใจได้ก็เพราะเราโน้มเอาพระธรรมคำสอนนั่นแหละเข้ามาสู่จิตใจให้มีพระธรรมนั้นเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ภายในใจิตใจใจนี้มันก็ถึงเบิกบานผ่องใสอยู่ได้มันจึงตั้งมั่นอยู่ได้ ถ้าไม่มีพระธรรมมาปรากฏอยู่ในใจแล้วเนะี่ยใจนี้มันตั้งมั่นอยู่ไม่ได้เลยให้สังเกตดูถ้าเป็นผู้ครองเรือนอย่างนี้นะเอาถ้ามีทานะไม่นั้นอยู่ในใจเป็นอารมณ์อยู่ในใจอย่างนี้อ่ใจก็เบิกบาน หายห่วงหายห่วงในทรัพย์สมบัติต่างๆทรัพย์สมบัติส่วนใดที่ตนได้บริจาคทานไปแล้วนั่นหายห่วงเลยเพราะว่ามันเป็นบุญกุศลเป็นบุญนิธิคือมันฝังแนบแน่นอยู่ในจิตใจนี้แล้วตกน้ำก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม โจนจะไม่ยื้อแย่งเอาไปก็ไม่ได้แต่ต้องเชื่อจริงๆเนอะเชื่อว่าทานนี่มีผลจริงอย่างนี้แหละมันจึงเป็นบุญนิธิได้ถ้าบุคคลให้ทานไปแล้วยังลังเลอยู่ว่าทานนี่จะมีผลจริงหรือไม่หนเช่นนี้ย่อมไม่มีผลมากเลยแัยงนั้นเราต้องเชื่อลงไปให้เต็มร้อยเปอร์เซนเลย ถ้าทานนี้ไม่มีผลพระศาสดาไม่ทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัทบําเพ็ญพระองค์ก็ปรารถนาให้สัตว์โลกทั้งหลายเป็นสุขโดยทั่วกันทางใดจะเป็นไปเพื่อความสุขพระองค์ย่อมแนะนำสั่งสอนอมแม่สินก็เหมือนกันเมื่อผูใ้ใดน้อมเอาสินเข้ามาเป็นอารมณ์ สินนี่แหละจะพาเราให้พ้นจากอาบายภูมิทั้งสีมีนรกเป็นตน้นนี่มาคำหนึ่งอยู่อย่างนี้ว่าเรามีสินบริสุทธิ์แล้วหรือยังกลัว ด, ดูความประพฤติทางกายวาจาของตนแต่ละวันแต่ละคืนอย่างนี้ามาทบทวนดูเมื่อทบทวนดูเห็นว่า ศีลของตนบริสุทธิ์จริงตนมีสติสัมปชัญญะสำรวมกายวาจาอยู่ตลอดเวลาไม่พลาดพลั้งไปทำชั่วไปล่วงศีลที่ตนได้สมาทานมาแล้ว ừ ừ ừ. เมื่อเห็นว่าตนสำรวมศีลอยู่ด้วยดีตลอดมานี่มันก็จะได้ความเบิกบานใจในวันนี้นะ มองเห็นตนนั้นเป็นผู้สะอาดปราศจากบาปอันมัวหมองเหล่านั้นอยู่เส้นนี้กย็ย่อมมีใจเบิกบานของแผ้วเมื่อมาคำานึงถึงดวงจิตนี้ว่าเป็นอย่างไรมันหลงมันเมากับสิ่งใดอยู่บ้าง มันไม่หลงไม่เมาอยู่หรือว่ามันหลงมันเมาอยู่กับสิ่งใดๆมันหลงยึดหลงถืออะไรโย่ถ้าเพ่งพิจารณาดูแล้วเห็นว่ามันรู้สึกตัวอยู่เสมอจิตเนี่ยมันไม่ได้หลงยึดอะไรเป็นแก่นเป็นสารสักอย่างในโลกอันนี้ทั้งภายในทั้งภายนอกคือว่า มองดูขันห่านี่ก็เห็นชัดเลยว่าเป็นของว่างเปล่าจากสัตว์จากบุคคลไม่ไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนเป็นของตนจริงจังอะไรแล้วมองดูนอกขันห่านี่ออกไปก็มองไม่เห็นว่าอะไรจะเป็นแกนสารเป็นของเที่ยงของยั่งยืนที่จะให้เราได้อาศัยตลอดไปไม่มีเลยมีแต่ทุกสิ่งทุกอย่าง เกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปอยู่อย่างนั้นถ้าว่าจิตของใครนะที่ได้อบรมสมาธิจเจริญปัญญามาถ้าเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาอย่างนี้เสมอเสมอไปนั้นแหละท่านเรียกว่าอนัตตานุปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้ง ในธรรมทั้งหลายหรือในสปปรรพสิ่งทั้งหลายนั่นเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรออนี่แหละคำที่ว่ามีพระธรรมหรือว่ามีคุณธรรมเป็นวิหาราธรรมเครื่องอยู่ภายในจิตใจให้พึงพิจารณาธรรมเหล่านี้เป็นอารมณ์อยู่เสมอ อย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ภายในจิตใจเมื่อใจมันมั่นอยู่ในธรรมเหล่านี้เสมอเสมอไปมันก็ทิ้งโลกได้อาศัยอยู่กับโลกแต่ไม่ติดอยู่กับโลกเหมือนกับน้ำไม่ติดอยู่ในใบบัวธรรมดาใบบัวจะหนีน้ำไม่ได้เลยต้องแช่อ ย, อยู่ในน้ำนั่นแหละ แต่ว่าใบบัวหักไม่ติดอยู่ในน้ําน้ําไม่ซึมซาบเข้าใส่ในใบบัวได้ฉันใดมุนีทั้งหลายก็ไม่คล้องอยู่ในอารมณ์ฉันนั่นแหละไม่คล้องไม่ติดอารมณ์ทั้งหลายไม่ได้ซึมซาบเข้าสู่จิตใจของมุนีคือผู้รู้ทั้งหลายก็ฉันนั้น นี่ลองพากันพิจารณาให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างนี้ถึงแม้ว่าจิตใจเรายังจะดูดดื่มในอารมณ์ภายนอกอยูก่ก็ตามแต่ว่าเราต้องพิจารณาแนวทางที่พระศาสดาทรงบำเพ็ญมาให้รู้ให้เข้าใจความหมายอย่างนี้ เมื่อเมื่อเรารู้เราเข้าใจความหมายของแนวทางที่พระศาสดาทรงดำเนินมาอย่างนี้แล้วเราก็จะพยายามเอาอย่างในวบบนี้นะนั่นเราก็จะดาเนินชีวิตจิตใจอันนี้ไปโดยถูกทางทางค้นทุกข์ได้หมายความว่าอย่างนั้นบางคนก็จะคิดว่ามันเหลือวิสัย เพราะเราจะไปเอาไอ้พระพุทธเจ้านมาเทียบกับเราได้อย่างไรบางคนอาจจะคิดไปอย่างนั้นแหละความจริงนะไม่ใช่อย่างนั้นคือเราลําพึงถึงว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ดําเนินมาอย่างไรจึงได้ทรงประกาศว่าพราะองค์เป็นผู้พ้นทุกข์แล้วนี่นะเราอยากมุ่งหวังศึกษาให้รู้ หนทางที่พระองค์ทรงพระดําเนินไปหมายความว่าอย่างนั้นแล้วเมื่อเรารู้ว่าโอ้พระองค์ทรงพระดําเนินไปทางสายนี้อย่างนี้นะแล้วเราก็พยายามเดินตามหลังพระองค์อเราเดินไปได้เท่าไรมันก็เป็นความดีของเราได้เท่านั้นเมื่อเราเดินยังไม่ถึงจุดที่พระองค์ดําเนินไปก็ไม่เป็นไร จะขอให้เดินไปตามทางนี้หมายความว่าอย่างนั้นอย่าลีกออกจากทางนี้ถ้าลีกออกจากทางนี้แล้วผิดพ้นทุกไปไม่ได้นั่นแหละให้พึ่งพากันเข้าใจผู้ปฏิบัติทำทั้งหลายนะถึงแม้ว่าอินทรียังอ่อนอยู่จิตใจก็ยัง ค่อยเขกอยู่ยังมีความเห็นผิดไปบ้างเห็นถูกไปบ้างยังวันไหวไปตามกระแสของกิเลสอยู่บ้างอันนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมดาของผู้ที่อินทรียบารมียังอ่อนอยู่จะไม่ให้วันไหวไปเสียเลยนะั่นไม่ได้จะไม่ให้ติดให้คล้องเสียเลยนะั่นไม่ได้ แต่ว่าสำหรับผู้มีปัญญาแล้วนะจะไม่ยอมจมอยู่ในปรักคือกิเลสนั้นโดยส่วนเดียวหมายก็ามาอย่างนั้นจะต้องตะเกียกตะกายต้องต้องพยายามถอนตนออกจากปรักคือกิเลสนั้นให้ได้เหมือนอย่างช้างศึกของพราชา ที่ยกทัพไปปจัญบานกับพ้าศึกมังเอิญก็ไปตกลมล่องมันนี่ทีแรกมันก็ขึ้นไม่ได้พระราชาฉลาดมีอุบายเตรียมพลช้างมามากๆเข้าไปอเอาจัดกระบวนช้างเดินพาเรศไปใกล้กันกับ ช้างที่ตกลมนั่นแล้วก็ปลอบใจช้างเตือนใจช้างนะนี่บัดนี้ข้าศึกเข้ามารบกลวนบ้านเมืองแล้วนะจะมามัวตกลมอยู่นี่ทำไมนั่นเห็นไหมพักพวกกำลังระดมกำลังกันจะไปกำจัดข้าศึกให้ออกไปจากเขตบ้านแดนเมืองแล้วท่านจงรวบรวมกำลังถอนตนออกจากลมให้ได้ เพื่อไปร่วมขบวนกันช้างที่นั่งถูกตักเตือนอย่างนั้นสำนึกได้เห็นพักพวกเดินเป็นหมู่เป็นพวกกันไปอย่างสงาา่าผ่าเผยจิตใจก็หึกเขิมขึ้นรวบรวมกำลังบึกบืนเต็มที่ในที่สุดก็เอาตนขึ้นจากลมอันนั้นได นี่เป็นข้ออุปมาที่พระศาสดาทรงเปรียบไวอันนี้ก็พอที่จะอธิบายได้ว่าการปฏิบัติธรรมนี่นะเรามันก็ต้องอาศัยหมู่อาศัยคณะลำพังต่ตนคนเดียวไม่มีปัญญาไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะชุดตัวเองให้ขึ้นจากลม คือกองกิเลสตัณหาทั้งหลายได้ดังนั้นแหละเราจึงได้รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นหมู่เป็นคณะอยูอ่เมื่อต่างคนต่างภาคเพียนพยายามต่างคนต่างอดต่างทนแสดงความกล้าหาญในการฝึกตนอย่างนี้นะต่างคนต่างเห็นกำลังความสามารถของกันและกัน จิตใจมันก็เข้มแข็งขึ้นเหมือนอย่างช่างติดลมนั่นแหละเมื่อเห็นพระพวกเดินไปอย่างสง่าผ่าเผยยังงมันอดไม่ไหวแม่เราก็มีกำลังเหมือนกันน่ะทำไมสิมามัวต่อกลมอยู่เนี่ยมันก็รวมกำลังกันบึกบืนสเต็มที่แต่ก่อนนั้นน่ะ มันไม่มีกำลังใจเพราะมันไม่มีอะไรเป็นเครื่องจจงใจให้เข้มแข็งขึ้นมองเห็นแต่ทัวผู้เดียวอย่างนี้ก็เลยใจอ่อนเมื่อใจอ่อนแล้วกำลังกายมันก็อ่อนไปตามกันเป็นอย่างนั้นมันนี้พอเห็นถ้าพวกเป็นสักขีพย า, ยานอย่างนั้นเข้าไปแล้วมันจึงได้มีกำลังใจเหอะเขิมขึ้น ถ อ, อนตนออกจากลมได้ดังกล่าวมาอันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละคนเราเหตุฉะนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้สมัรสมานสามัคคีกันไว้อย่าไปคิดแตกแยกอ่าต้องทำความปรองดองกันให้ได้ธรรมดาผู้ปฏิบัติธรรมมีปัญญาแล้ว ผู้ไม่ถือมั่นอะไรต่ออะไรแล้วเนี่ยมันก็สามารถกรองรองสามัคคีกันได้ถ้าไปถือมั่นในตัวบุคคลด้วยความพอใจบ้างด้วยความไม่พอใจบ้างมาเป็นอารมณ์อยู่อย่างนี้เนะี่ยมันก็กรองดองกันไม่ได้เลยอยู่ร่วมกันนอะ่าให้พึงเข้าใจการปฏิบัติธรรมนี่ต้องอาศัยความสามัคคีของหมู่ของคณะ อันนี้นะพ่อเป็นหลักสำคัญทีเดียวอ่าถ้าหากว่าเรารวมตัวกันอยู่ไม่ได้แล้วปฏิบัติธรรมก็ก้าวหน้าไปไม่ได้เลยก็ดังกล่าวมาแล้วนั่นเลยเพราะทางคนต่างก็มีกำลังไม่เพียงพอขอที่จะช่วยตัวเองให้ถอนตนออกจากกลมคือกิเลสได้โดยลำพังตนเอง นี่ต้องให้สำนึกให้ได้อย่างนี้เราต้องอาศัยซึ่งกันและกันมีอะไรก็ปรึกษาหารือกันไม่สมควรที่จะต่างคนต่างทาต่างคนต่างอยู่ไปไม่ออกความคิดความเห็นอะไรกันได้เลยถ้าหากว่าออกความคิดความเห็นมาก็มีแต่ขัดแย้งกัน ไม่สามารถจะรงรอยกันได้เลยอย่างนี้มันนั่นละเป็นจุดแห่งการแตกสามาคัคคีเพราะฉะนั้นพึงพากันลดละความเห็นแก่ตัวลงไปทุกอย่างไปเลยเราต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเราต้องสลัดความถือมั่นว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขาลงด้วยจะการเจริญอนานุปัสสนา ดังกล่าวมานั้นเพราะว่าคำว่าอนัตตนี่นะมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งเป็นสิ่งลี้ลับอะไรเลยสามารถที่จะมองเห็นด้วยตาหนังนี่ก็ก็มองได้แต่ว่ามองเห็นแต่เพียงแค่ตาหนังเท่านี้มันก็ยังไม่พอเราต้องมองด้วยตาในาคือตาปัญญา อันเกิดจากดวงจิต น, นู่นนั่นเมื่อมองดูด้วยตาปัญญาแล้วมันก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างว่างจากสาัจจคุบคลนะแต่คนเรานี่นะมันสู้อำนาจตัณหาไม่ได้มันจึงจมองเห็นว่าคนเป็นคนสัตว์เป็นสัตว์อะไรอยู่อย่างนั้นล้ำไปนี่แหละอั น, อน ค่าสึกของวิปาานนะัสนาญาณคือความรู้แจ้งเห็นจริงนะมันจะรู้ไม่ได้มันจะวิปัสนามันจะมัวหมองไปนะก็เพราะว่าอาศัยความอยากความดิ้นรนทะเยอะทะยานต่างๆนีนะ่เป็นเครื่องมาปิดบังปัญญาปิดบังอนัตานุปัสสนาไม่ให้เจริญงองกงามขึ้นได้ดังนั้นแหละ พระศาสดาจึงสอนให้บำเพ็ญสมถะเพ่งใจให้สงบจากตัณหาความทะเยอะทะยานต่างๆเสียกอนเมื่อใจสงบลงไปได้แล้วจึงเพ่งดูทุกสิ่งทุกอย่างอันมีอยู่ภายในร่างกายอันนี้ก็ดีนอกร่างกายอันนี้ออกไปก็ดีมันก็จะเห็นเป็นของว่างตามที่พระศาสดา ท, ทรงสแสดงไว้นั่นแหละ แต่ว่าความเห็นอันนี้นะเห็นอย่างนี้แล้วไม่ใช่มันจะหลุดพ้นทีเดียวเลยไม่ใช่แต่มันต้องเห็นอย่างนี้ซะก่อนเมื่อเห็นอย่างนี้เราก็พยายามเพ่งพิจารณาให้ติดต่อกันไปเรื่อยไปอย่างนี้นะแล้วงานความรู้นี้มันก็ยิ่งขึ้นไปแก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับอเป็นอย่างนั้นให้เพื่องฟากันเข้าใจ เราไม่ทําบ่อยๆมันจะไปแก่กล้าได้อย่างไรา ง, งานความรู้ น, นี่มีอยู่ทุกคนแหละเมื่อเราไม่ทําบ่อยๆแล้วมันไม่รู้มันไม่ยิ่งขึ้นไปนี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแ่ะเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็ให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติบําเพ็ญไปด้วยความไม่ประมาท คือมีสติสัมปชัญญะนี่แหละประจำอยู่กับอัตภาพร่างกายนี้เสมอเสมอไปสติสัมปชัญญะสัมปชัญญะนี่แหละเป็นธรรมเครื่องอุปการะงานความรู้ให้แก่กล้าขึ้นไปโดยลําดับได้ถ้าหากว่าปราศจากสติสัมปชัญญะนี้แล้ว ญาณ น, นี่ไม่สามารถที่จะแก่กล้าขึ้นได้เลยเพราะฉะนั้นแหละเมื่อทราบอย่างนี้แล้วพึ่งพากันตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญให้เป็นไป